ตื่นออกมาจิตใจนี่นุ่มนวลอ่อนโยนจิตใจสว่างไสวมีความสุขมีความเบิกบานผุดขึ้นมาเองความสุขที่เราเคยรู้จักเนี่ยมันต้องเป็นความสุขที่มีสิ่งเร้ามีอะไรมายั่วเช่นนมนมไปจีบสาวได้แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยหรือว่าร่ํารวยขึ้นมามีความสุขได้อยู่กับคนนี้มีความสุขได้กินอันนี้มีความสุขความสุขอย่างโรคๆเป็นความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งเร้าภายนอก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 ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะรู้สึกไปเรื่อยๆ ing. ต่อไปจิตมันจะจำสภาวะร่างกายเคลื่อนไหวนี่มีอาการอย่างนี้จิตเคลื่อนไหวมีอาการอย่างนี้ความรู้สึกทั้งหลายแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอาการอย่างนี้มีสภาวะอย่างนี้พอจิตมันจำได้แม่นแล้วต่อไปสติจะเกิดเองเช่นมันจำได้ว่าความใจลอยแอบไปคิดเป็นยังไงนี่ใจจะค่อยๆไหลไปนะ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 ได้เปรียบโชคเด็กๆได้เปรียบเน่กิเลสตันมเป็นเด็กๆนะมันค่อยๆไหวยิบยับยิบยัยิบขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ทันมันนี่แต่ก่อนที่เราจะเห็นกิเลสตัวเล็กได้เราก็ต้องหัดเห็นกิเลสตัวใหญ่ก่อนเพราะกิเลสที่ละเอียดมันดูยากอัติแรกก็จะเห็นของหยาบเช่นโทสะโทสะเกิดแล้วถึงจะเห็นต้องโมโหแรงๆก่อนถึงจะรู้ว่าโมโหขัดใจเล็กๆยังไม่รู้ว่าขัดใจ ต่อไปฝึกมากเข้ามากเข้าหัดสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆต่อไปความขัดใจเล็กนิดเดียวเกิดขึ้นก็เห็นลนะสมัย20ปกว่าปีก่อนหลวงพ่อนหะัดภาวนาหัดดูจิตดูใจตัวเองนะมีวันหนึ่งนั่งอยู่ในห้องในบ้านเดินออกมาหน้าบ้านนะเปิดประตูออกมาแสงแดดกระทบเปลือกตาแสงแดดกระทบเปลือกตาท่านี้ความขัดใจก็เกิดความขัดใจก็เกิด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 ฝึกไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นค่อยตามรู้กายค่อยตามรู้ใจรู้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็จะรู้ความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้เลยให้หัดรู้สึกไปนะความรู้สึกใดๆแปลกปลอมขึ้นในใจค่อยรู้เรื่อยๆนะรู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้ไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นความจริงว่าอ๋อทุกอย่างชั่วคราวความสุขชั่วคราวความทุกข์ชั่วคราวโลภโกรธโลงก็ของชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลย จะเห็นอย่างนี้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีก7วัน7เดือน7ปีนะต้องดูซ้ำๆทำไมดูครั้งเดียวไม่พอนะเพราะว่าวัสนาบารมียังไม่พอกำลังไม่พอนะถ้าคนซึ่งยินสีเขาแก่กล้าแล้วเขาดูนิดๆหน่อยๆเขาก็หลุดพ้นได้ในสมัยพุทธกาลมีบางท่านฟังธรรมะสองสาประโยคก็หลุดพ้นแล้วของเราไปอ่านธรรมะที่ท่านสอนซ้าแล้วซ้าอีกนะก็ยังไม่บรรลุ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 เฝ้รู้ลงไปอย่างเดิมรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนะแต่ว่าพอได้สวดาแล้วมันจะเผลอสั้นลงสั้นลงนะสติมจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นครั้งที่สองจิตรวมลงไปตัดนะคราวนี้ไม่ได้ตัดสั่งยศอะไรเพิ่มนะแต่เป็นทัศนกิจทาคามีนะตัดกิเลสจะอ่อนกําลังลงนะกิเลสจะอ่อนแรงลงทําไมกิเลสอ่อนแรงลงเพราะสติเร็วมหาศาลเลยนะสติเหมือนฟ้าแลบเลยแปบเลยนะอะไรแปลกปลอมเข้ามานะ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 มีตาแล้วเราก็ได้ไปดูของสวยของงามมีหูแล้วเราก็ไปฟังอะไรเพราะๆฟังอะไรที่ดีๆนะมีจมูกเราก็ไว้ดมกลิ่นหอมๆได้มีลิ้นเราก็ไปกินของอร่อยได้มีร่างกายก็ได้สัมผัสอะไรที่นุ่มนวลสวยงามอะไรต่างๆเนี้ยที่ถูกอกถูกใจเนี่ยเราเห็นว่าเพราะว่ามันมีร่างกายนะเลยสัมผัสโลกที่มีความสุขได้แต่ผู้มีปัญญาเนี่ยจะเห็นเลย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 บางครั้งเป็นก้อนอิฐก้อนหินเป็นมีดเนี่ยมีร่างกายก็สัมผัสสิ่งที่ไม่ดีได้นี่ดูไปดูไปนะเอ๊ะตราบใดที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายมีกายอยู่เนี่ยจะห า, หาแต่ความสุขอันเดียวที่หาไม่ได้ลนะมีความทุกข์ความทุกข์เยอะเลยยิ่งมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะอย่างพวกเราสติน้อยปัญญาน้อยสมาธิน้อยเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง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 คนที่นอนนานๆแล้วมีความสุขมีอยู่คนเดียวคือกุมภกร <c oughs> ุมภกรุณ น, นอนครั้งละเจปีเพราะมันเป็นนิยายส่วนะนคนทั่วๆไปถ้านอนนานๆมีความทุกข์นะร่างกายมันจะทุกข์เนี่ยทาอะไรอะไรก็ทุกข์หมดเลยนะเราต้องคอยบาบัดทุกข์ตลอดเวลาหิวขึ้นมาก็ต้องไปหาของกินร้อนขึ้นมาต้องไปอาบน้ำนั่งนานๆเมื่อยก็ต้องขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถนอนก็ต้องนอนพลิกซ้ายนอนพลิกขวา นี่ความทุกข์มันตามบีบคั้นอยู่กระทั่งหายใจนะถ้าสติไวๆนี่จะเห็นเลยเราหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์เราต้องแก้ทุกข์ด้วยการหายใจอย่างน้นบ้างหายใจอย่างนี้บ้างกลั้นใจไว้เฉยๆก็ทุกข์ไม่หายใจเลยก็ทุกข์นี่ความทุกข์บีบคั้นตลอดคอยรู้อยู่ในกายนี้เราจะเห็นเลยกลายนี้มีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเห็นอย่างนี้ความรักในกายนี้จะหายไปจะรักทําไมมันเป็นก้อนทุกข์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 นะถ้าเราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกขล้วนๆเมื่อไหร่นะวันนั้นแหละจะเป็นพ ร, าารนะอรหันต์นะงั้นเฝ้ารู้ลงไปนะ่รู้ลงไปจนกระทั่งไม่ยึดอะไรสัอย่างนะสิ่งสุดท้ายที่เราจะยึดไว้ก็คือจิตนั่นเองสิ่งสุดท้ายที่จะละความเห็นผิดได้ว่าไม่ใช่เรานก็คือจิตสิ่งสุดท้ายที่จะหมดความยึดถือได้ก็คือจิตานะงั้นจิตนี่ดูยากที่สุดนะระนีที่สุด ถ้าดูเข้ามาได้ก็ดูเข้ามาเลยถ้ายังดูไม่ได้ก็ไปดูร่างกายก่อนร่างกายเป็นบ้านของจิตเรายังหาเจ้าของบ้านไม่ได้เราก็ไปเฝ้าหน้าบ้านไปรู้ที่กายไปก่อนรู้กายไปเรื่อยๆเข้าใจแจ้งนะจะเข้าใจเจ้าของบ้านคือเข้าใจจิตด้วยจนวันหนึ่งเข้าใจจิตแจ่มแจ้งเหมือนที่หลวงปู่ดูลสอนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักคาว่ามักของท่านนี้ท่านพูดแบบออมๆนะพูดแบบไม่ให้น่าเกลียดเกินไป ถ้าจะพูดให้ตรงๆ ต, ตามความหมายของท่านก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรักไม่ใช่มรักเบื้องต้นหรอกมรักเบื้องต้นรู้กายรู้อะไรอย่างนี้แหละรู้จนกระทั่งเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราสักอันเดียวแต่พอถึงขั้นท่านัก ข, ขาขั้นจะเดินต่อไปนี่มันจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียวนี้แหละเมื่หมดความยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกจิตจะกว้างขวางไร้ขอบไรเขตไร้จุดไรดวงไร้ที่ตั้งนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลย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 คือกายกับใจนะคือความทุกข์ทุกข์นี่มีนิยามเฉพาะของมันนะไม่ใช่ความทุกข์อย่างภาษาไทยทุกข์ในอริยศาสตร์คือกายกับใจท่านถึงบอกว่าสังขิตเตนะปันจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปสังขิตคือสังเขปโดยสรุปนะโดยสรุปแล้วขันอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นนี้เป็นตัวทุกข์หน้าที่ของเราต่อทุกข์คือการรู้ขันคือกายกับใจแล้วทําไมต้องมีคําว่า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 รู้ลงในกายรู้ลงในใจถึงจุดหนึ่งก็มีปัญญาเห็นว่าไม่ใช่เรานี่ขันอะไรที่ไม่ใช่ทุกมีนะขันบางส่วนที่ยกเว้นถือว่าไม่ใช่กล่องทุกเช่นจิตของพระอรหันต์ใช่ไนะพวกมหากริยาจิตไม่ต้องดูนะไม่ต้องเอามหากริยาจิตมาทําวิปัสสนานะเพราะว่าไม่มีนะพวกเราไม่มีจิตชนิดนี้นะเรามีจิตแต่ที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลที่เป็นมิบากรนะเป็นกลางๆ เราไม่มีกริยาจิตเพราะฉะนั้นขันบางส่วนเนี่ยพ้นไปจากการทำมิปั ส, สนานะแต่ว่าขันบางส่วนที่เรายัางยึดว่าเป็นเรานะร่างกายนี้ความรู้สึกสุครู้สึกทุกความรู้สึกเฉยเฉยนีนะ้จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลนี้พวกนี้ให้คอยรู้พวกนี้เนะฉะนั้นจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้นะรู้เรื่อยเรรู้ลงไปไม่ยากหรอกนะนี่ให้เราคอยรู้ลงไป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 อะไรก็ได้ขอให้รวยก็แล้วกันใช่ไหมพร้อมจะนับถืออะไรก็ได้เอาอะไรมาห้อยก็ได้น ะ, ะไหว้มันหมดแหละหมูหมากาไ ก, ก่วัวสามขาก็ไหว้ใช่ไหมอ ะ, อะไรอะไรเกิดขึ้นมาเราก็นับถือหมดเทวดงเทวดานะมนุษย์สร้างเทวดาแล้วมนุษย์ก็กลัวเทวดาแล้วมนุษย์ก็ไปไหว้เทวดานะนะนะเราขายพระพุทธเจ้าได้นะขอให้รวยก็แล้วกันเนะี่ย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 ถ้าสติเกิดแล้วถึงจะรู้ว่าศาสนาพุทธไม่ใช่นิยายหลอกเด็กนะมันพ้นทุกข์ได้จริงๆรพ้นทุกข์ต่อหน้าต่อตาจริงๆแล้วเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้านะให้ผลรวดเร็วมากเลยไม่ใช่ว่าทําไปเธอยี่ปี30ปีทําไปเธอนะเดี๋ยววันหนึ่งคงจะดีเองทําไปหลายๆปีก็มีแต่ความทุกขนะ์บางคนทําไปนะจิตวุบๆบว่าๆ บ, บ, บ, บอกเป็นพระอราหันต์นะหันไปหันมาตกกับสามีอีกแล้วนะบอกทําไมต้องไปตกกับเขาได้นี่ตกเป็นกิริยา นะตบเป็นกิริยานะั้นมันเอากันจริงๆนะตบมันล่กิเลดไม่ได้ไม่ใช่ของจริงนะของจริงนะ่ฝึกลงไปต้องล่กิเลสได้จริงๆมีความสุขขึ้นมาได้จริงๆค่อยๆฝึกไปนะะวันนี้เขาไม่ตั้งนาฬิกาให้ดูนาฬิกาเสียนะอ๋อเร่อาประมวหมดเวลายัางรู้สึกไหมหจิตใจมีความสุข นะคนส่วนใหญ่จิตใจมีความสุขนะรู้สึกไหมตอนนี้ส่วนใหญ่จิตนิ่งนะิ่งจิตเริ่มนิ่งลงนะให้คอยรู้สึกหมดเวลาเทศเนะียบางคนก็อยากฟังอย่างเดียวนะบางคนอยากถามอยากถามเนี่ยหลวงพ่อไม่สามารถตอบทุกคนได้นะแต่ว่าถ้าเข้าใจ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 ว่างแล้วต่อไปมันก็ไม่ว่างมันก็ไม่เที่ยงภาวนาแล้วเป็นอย่างโน้นภาวนาแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวค่อยฟังคำตอบนะคำตอบเหมือนเหมือนกันหมดแหละเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนคิดจะถามแล้วก็ดูเอาเองก็ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเหมือนหลวงพ่อสมัยก่อนไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเราเข้าไปหาง่ายเพราะว่าคนที่สนใจปฏิบัติมีไม่มากหรอก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 อ่ะใครจะถามอะไรเชิญเชิญอย่ายากนักนะเดี๋ยวตอบไม่ได้กบมาการหลวงพ่อค่ะคือภาวนานะคะถ้ามีสตินะคะสังขารครงขึ้นมาความรู้ทำงานรู้ทันช่วงขนาดมันจะขาดไปเลยค่ะจะเหลือสภาวะอันนึงที่มันไม่ใช่อันอื่นแล้วทีนี้มันมันก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้นานมันอยู่ไม่ได้แล้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 แล้วแล้วที่หลงอีกชั้นหนึ่งคือความรู้ก็หลงเชื่อตามตามสมมุติที่มันหมายขึ้นมานะคะหลงสองชั้นอแล้วเมื่อก่อนมันไม่รู้อย่างนี้ขณะนี้มันมีความรู้มันมันคือก็เลยหันเข้ามาดูของความรู้นี้นะคะให้รู้ไปอย่างสบายๆนะที่รู้อยู่ยังไม่ค่อยสบายอย่างจงใจ <c oughs> อย่าจงใจรู้ให้มันรู้ขึ้นมาเอง <c oughs> อเพราะฉะนั้นเวลาอย่างเราเห็นพระเดินมาเนี่ย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 นี่ท่านท่านอญีรู้แล้วว่าภาวนานี้ทำยังไงถ้าเราเห็นพัดลมรู้ว่าเป็นพัดลมนี่แหละเรียกว่าภาวนาไม่ใช่นะเห็นพัดลมรู้ว่าเป็นพัดลมคนไม่ภาวนาเขาก็รู้ใช่ไหมนั้นรู้โดยสมมุติโดยเปันจัดอาศัยความจําแต่ถ้าเห็นพัดลมแล้วอยากิ้วกลับบ้านรู้ว่าอยากขีวกลับบ้านนี่ถึงจะภาวนาเห็นพัดลมแล้วรู้สึกตีฉินนินทาโอ้ยกระจอกที่บ้านชั้นดีกว่านี้อีกเนี่ยรู้สึกดูถูกเหยียดหยาม รู้ว่าดูถูกเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้นะให้ดูความรู้สึกน ะ, ะไม่ใช่ดูเนื้อหาเรื่องราวเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นสมมุติบัญญัติค่ะแต่ว่าการที่คุณเห็นตามมองเห็นปุ๊บใจมันแปลขึ้นมาเห็นกระบวนการทำงานของใจอย่างนี้ใช้ได้ค่ะนะแล้วก็มันจะเกิดรู้ตัวขึ้นแว บ, บหนึ่งว่างๆไม่มีอะไรสภาวะที่รู้ตัวแว บ, บเดียวก็จะดับไปอีกค่ะเก็จะเห็นเลยทั้งรู้ตัวเกิดแล้วก็ดับ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 ถ้าสองอันนี้ไม่เที่ยงทั้งคู่ค <ะ S 1> ดูไปอย่างนี้นะดูทุกอย่างไม่เที่ยงอย่าไปประคองตัวรู้ไว้อย่าไปประคองตัวเห็นไว้อย่าไปรักษามันขอใหญ่นิดนึงค่ะคือคือบางครั้งช่วงขณะที่เห็นนะบางทีก็จะเห็นกายตัวเองมันคือเป็นกระดูกแล้วมันก็หายไปบางทีก็ดูแต่ละส่วนมันก็หายไปหมดเลยน<ม>ะคะก็ดูตามความเป็นจริงคนมาว่าเออสิ่งที่สิ่งที่ที่เห็นกับตัวที่ไปเห็นืคือความรู้ที่ไปรู้มันก็แปลกวน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 มันเป็นอาการซึ่งเกิดจากสมาธิเป็นนิมิตนะเห็นตามความเป็นจริงนั้นะลองสัมผัสดูสิของจริงนี้เป็นอะไรลองรูปดูตัวนี้บอกไหมว่านี่คือแขนของเรานะตัวนี้ไม่พูดเลยดันะั้นการรู้ด้วยอานาจของสมาธิมันก็จะรู้อะไรที่เกิดธรรมดาแต่รู้แล้วมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจมันข่มกิเลสบางอย่างได้เช่นข่มกามไดนะ้พอเราพิจารณาลงไปเห็น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 รู้สึกอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เลยตัวที่กำลังกระดุกกระดิกมันไม่ใช่เราหรอกนี่รู้สึกอย่างนี้เรียกว่ารู้ตรงความเป็นจริงแต่ถ้ารู้แล้วเห็นนี่มีแสงสีรูปร่างเห็นเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะเกินจริงเป็นผลของสมาธิแล้วตัวผู้รู้อย่าไปรักษาไว้พวบคุมไมโครโฟนเขาไม่ยอมนะขอบพระคุณมากเอาว่าไป อืมงานมสักการแล้วว่าไงไหตอนตอนนี้หนูตื่นเต้นนะคะแล้วอยากส่งกันบ้านหลวงพ่อเพราะว่าก็ปฏิบัติมาได้สักพักหนึ่งะะว่าทําตรงจริตหรือเปล่าแล้วก็ที่ทาเนี่ยถูกต้องไหมถูกถูกต้องอดูไปเรื่อยๆนะใช้ได้เห็นกิเลสแล้วตอนนี้ขนลุกค่ ะ, ะให้รู้ลงไปนะเกิดอะไขึ้นรู้ลูกเดียวหลวงพ่อค่ะหนูมีสองอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากถามก็คือ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 แซงตัวเองแล้วอยากไปทําอย่างอื่นไหมก็รู้ว่าเซงก็เริ่มจะอยากบ้างนิดหน่อยกึศคือมันมีสองตัวนะเบื่อเพราะกิเลสกับเบื่อเพราะปัญญาสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเบื่อเพราะกิเลสก็เรียกว่าเบื่อเบื่อธรรมดาถ้าเบื่อเพราะปัญญาเขาเรียกนิพิทาเรียกสโก้เลยเบื่อกิเลสเบื่อเพราะกิเลสเนี่ยมันจะเบื่ออย่างนี้จะไปอยากอย่างอื่นเช่นเบื่อภรรยา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 ให้รู้ทันลงไปอีกบางครั้งก็จะเกิดอาการเกรงอะค่ะเวลาที่เฮ้ยเผลออีกล้จะเส็งเฮ้ยทำไมเผลอบ่อยอย่างนี้อะไรตรงนั้นสภาว่ามันเกิดสมอันต่อกันอันนึงเผลอไปเป็นอกุศลอันที่2เมื่อรู้ว่าเมื่อกี้เผลอเป็นกุศลอันที่สามกลัวจะเผลออีกก็ไปบังคับไว้ร่างกายมันก็จะแข็งใช่จิตใจมันแข็งก่อนร่างกายก็แข็งตามเราก็ให้รู้ว่ามันแข็งแล้วก็เกรงใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เผลอแล้ว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 ผ่อนและมาระวังตรงไหนหรือว่าจะต้องทําตรงไหนให้มันดีขึ้นน้ำว่าจะทําใช่ไหมเมื่อกี้หลวงพ่อเฉลยแล้วบอกให้รู้เอานะที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องแล้วดีแล้วเนี่ยเป็นพยานของหลวงพ่ออีกคนนึงนะใจที่มันตื่นแล้วรู้สึกไหมชีวิตเราเปลี่ยนใช่ครับมันเปลี่ยนได้ที่เราเป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเดิมรู้สึกไหมใจเราสว่างใจเราเบาใจเราโล่งใจเรามีความสุขครับเรือก็สั้นลงกิเลสก็อ่อนลงเพราะว่าเรารู้ไหวขึ้นใช่ครับ นั่นแหละฝึกไปแล้วเราเห็นผลด้วยตัวของเราเองไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่ว่าคอยรู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เกรงเกินไปออครับนะให้รู้ไปอย่างที่เป็นธรรมชาติที่สุดธรรมดาที่สุดแมื้พวกเด็กๆที่ไม่เคยเข้าปฏิบัตินะเข้าขงเข้าคอร์สอะไรเนะี่ยฝึกง่ายแต่ฝึกง่ายเป็นเร็วแต่ขี้เกียจเพรนะาะถ้าขยันปฏิบัติคงไปเข้าคอร์สนานนะ อย่าขี้เกียจ น, นะที่ภาวนาใช้ได้แล้วดีแล้วใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วดีวดเด็กหน้าตาใสายๆเยอะการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะยกรออนุญาตส่งกส่งกับบ้านเจ้าค่ะตอนนี้เนี่ร่างกายเค้นไหวก็จะตื่นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นถึงความอยากอย่างเช่น ว, ว่าเกาอยากจะไปเกาเริ่มเห็นตรงนี้แต่ว่าพอ เห็นถึงอาการแล้วที่กำลังมือกำลังจะไปเคลื่อนไปเก่าเนี่ยมันเพ่งมื อ, มอก็รู้ว่าเพ่งแล้วก็ไม่ชอบอก็รู้อีกว่ามไม่ชอบอแบบนี้นี่ก็ดีแล้วเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปด้วยอะไรปรากฏก็รู้ไปดีแล้วเ ข, ขาที่ท้าหลวงพ่อสอนว่ายมยังตั้งใจลดลงละน ะ, ะใช้ได้ดีขึ้นเอาจีรัดมองกันตัวแข็งเลย นวัฒนการหลวงพ่อครับคือวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านหนละังจากปฏิบัติในสัปหักเสร็วนะครับคือจะเรียนถามว่าคือวันหนึ่งมันเกิดความรู้สึกขึ้นมานะครับว่าคือวันนึงนี้ยไปอยู่กีฬามาอย่างหนึง่งปกติเนี้ยเวลาดูเนี้ยจะมีการตื่นเต้นไปกับกีฬาตา่างนด้วยแต่เพิ่ว่าวันนเนี้ยเกิดความรู้สึกว่าคือความตื่นเต้นมันก็ยังอยู่แต่ว่าใจอย่างนี้มันก็ชุกเฉินเฉยรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่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 มันเกิดความรู้สึกจุกขึ้นมาครับทีนี้เนี่ยพอจุกแล้วปรากฏว่าคือก็พยายามดูครับก็หายไปสักพักหนึ่งแต่พอนอนเข้าไปเนี่ยคือพบว่ามันเหมือนกับยามีตะกอนของทวารเสาร์อยู่ครับคือนอนไปก็คือยังไปฝันถึงเรื่องนั้นอยู่อะไรแบบนี้แบบนี้ครับวิถีจิตที่ฝันกับวิถีจิตที่คิดมันงานเดียวกันความฝันมันก็คือความคิดตอนนอนหลับความคิดก็คือความฝันตอนตื่นเพราะฉะนั้นในโลกนี้เรากําลังเดินอยู่ในความฝัน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 การรู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญาแต่ว่าเมื่อเราจเจริญสติไปช่วงหนึ่งจิตใจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าตอนนี้แหละเราก็พักผ่อนเราทำสมถะนะไม่ใช่ไม่ให้ทำนะบางคนต้องต้อ ง, ต, องต้องทำมากมากด้วยบางคนก็ทำนิดหน่อยบางคนทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยอย่างอื่นอาศัยการมีสติรู้ไปว่าใจหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วอาศัยมีสติรู้ว่าใจกาลังฟุง้งใจไม่ถึงฐานละอะไรเงี้ย พอรูอ้ทันนะใจสักพักหนึ่งนะมันค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมามีกำลังขึ้นมาแต่ว่ากาลังของจิตใจที่ทรงตัวขึ้นมาอย่างนี้ไม่แนบแน่นยาวนานเหมือนคนที่เข้าชานมาแต่ว่าจำเป็นต้องอาศัยเพราะว่าเข้าชานไม่เป็นทำสมถะลึกๆไม่เป็นก็ต้องอาศัยเอางั้นจริงๆการภาวนาที่ดีที่สุดนะในอุดมคติเลยก็คือมีสติรู้กายรู้ใจไปถ้ารู้จิตใจได้ก็รู้ไปเลย เพราะจิตใจเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะสิ่งทั้งหลายสาเร็จได้ด้วยใจกุศลอกุศลมรค น, นิพพานเกิดขึ้นที่ใจนี่เองนะถ้ารู้ถึงจิตถึงใจได้ก็ดีนะถ้ารู้จิตรู้ใจไม่ได้มารู้ร่างกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเป็นธรรมชาติที่จิตไปรู้เข้านะถ้ารู้กายก็ไม่ไหวก็ทำสมถะิทำความสงบทำอะไรไม่ได้พุโทโธไว้ก็ยังดีนะ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 ไม่ใช่ภาวนาแล้วจะเจริญสติรวดไปเลยมันแห้งแรงไม่มีเรี่ยวมีแรงพอ้วต้องรู้จักพักเหมือนกันใครจะคุยต่อหมอสากานุพ่อค่ะผลิตแบบหนูนี่เหมาะจะดูจิต่าคะล้าจะดูยังไงหมอหมะเป็นคนช่างคิดหมอที่จะดูจิตจะดูยังไงอะเหรอรู้จักโมโหไหมเคยโกรธไหม เคยอยากไหมอยากดูหนังอยากดูการ์ตูนอยากกินขนมเคยไหมเคยค่ ะ, ะเคยอิจฉาไหมเคยค่ะอิจฉาใครอิจฉาน้องไหมไม่ค่ะไม่นะนี่เกรงใจเพราะน้องมาด้วยนะ<ม>เคยรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเคยค่ะอ่าเนี่ยเห็นไหมอะไรๆเราก็รู้ใช่เมื่อไปรไปนี้ความรู้สึกในใจเราเป็นยังไงนะรู้ว่าเปลี่ยนอย่างนั้น ใจเราพลังอิดชารือว่าอิดชาใจเราพลังกระต่นเต้นรือว่าตื่นเต้นใจเรากลัวรือว่ากลัวนะใจเราดีใจใจเราเสียใจคอยรู้ไปเรื่อยๆเด็กเล็กๆหัดง่ายนะเด็กหัดง่ายต้องไงอีกหมดหมดแล้วหมด้อ่าหมดแล้วรบทางนี้กลับมาบำเพ็ญกันครับหลวงพ่อ ก็ผมได้ปฏิบัติมาช่วงหนึ่งครับแต่ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องอยู่หรือเปล่าใช่ได้นะดีแล้วใจก็ตื่นแล้วละ่ะรู้สึกไหมจิตฟุ้งซ่านรู้สึกไหมเออข่ามันว่างๆนะจิตเ็ื่อนหนีิดเที่ยวนี้หนีก็รู้นะไม่ใช่ว่าห้ามบางคนร้อนคนร้อนเพราะพวกเราเยอะเกิน พ่อขอโทษครับขออีกนิดนึงได้ไหมครับ<อ><อ>ว่าไ ป, ไปที่ผมก็ปฏิบัติอยู่ตามที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ไปใช่ได้ดูไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันตื่นเต้นมันเกินจริงที่ฝึกอยู่ที่บ้านใช้ได้กราบนมัสาการหลวงพ่อค่ะไหนยกมือหน่อยนี้ค่ะอ๋อค่ะก็คือครั้งก่อนเนี่ยเคยเรียนถามหลวงพ่อแล้วว่าการดูจิตของตัวเองเนี่ยมาถูกทางหรือยัง หลวงพ่อก็บอกว่ามาถูกทางแล้วแล้วก็ได้ปฏิบัติในการฟังเทปฟังซีดีของหลวงพ่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองดูจิตแล้วรู้แต่รู้มากจนไม่แน่ใจว่าฟุ้งซ่านหรือเปล่าก็เลยอยากจะเรียนถามงหงพ่อฟุ้งซ่านก็ใช้ได้ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านก็คือดูจิตเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราอยากจะส่งกันบ้านหลวงพ่อว่ามันพัฒนาการดีขึ้นหรือว่าสังเกตไหมล่ะใจเราไม่ได้เครียดอย่างแต่ก่อนแต่ก่อนเราเพ่งไว้แรง เพ่งไว้จนเครียดเลยตอนนี้มันคลายออกมาก็ดีขึ้นเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนคนั่นแหละไปฟังซีดีต่อค่ะหลวงพ่อค่ะนี่ซีดีของหลวงพ่อแก้พวกเพ่งได้ด้วยนะหลอกให้ฟังไปเรื่อยๆลืมเพ่ง อ, อการกรนั ก, กรารศกาหลวงพ่อครับอะไรางานผพการปฏิบัติครับคือผมเห็นจิตเนี่ย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 เพราะสภาวะธรรมนะเกิดดับติดต่อกันรวดเร็วมากถูกต้องนะทีนี้เมื่อดูจิตมีครั้งหนึ่งมันไปดูความดับครับมันเห็นตัวที่เราไม่ได้จงใจมันเห็นของมันเองเลยค่ ะ, อะพอมันเห็นปุ๊บมันรู้ว่าโอ้ยความดับเนี่ยมันอยู่ตอนหน้าต่อ ต, อตาเราที่เองพอเราเห็นเกิดปุ๊บจริงๆก็คือดับนั่นแหละครับก็ถูกแล้วแต่ว่าต้องลดความจงใจลงนิดนึงนะจงใจแรงไปเออความจงใจรู้สึกว่ามันจะ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 มันจงมันดูอยู่อย่างเดียวถ้าเห็นราคาก็าเห็นราคาราคาราค า, า, ค า, า, คาทีเรื่อยนะมันจงใจแรงไปให้คลายออกอย่างนั้นให้รู้เล่นเล่น ร, รู้เล่นเล่นนะต้องภาวนาอย่างมีความสุขถ้าภาวนาแล้วจริงจังเกินไปมันจะเคร่งเครียดจิตใจไม่สบายครับแค่นี้นครับลดความจงใจลงนิด น, นึงนะนิดเดียวนะลดมากขี้เกียจ ค, คนะุนครับารการวัตการหลวงพ่อนะครับ เมื่อก่อนจิตเพ่งครับผมเออตอนนี้ก็มาดูว่าตอนไหนเพ่งตอนไหนเพ่งดูไปเรื่อยๆจนมันรู้อันนึงจะเห็นอนาะการอออของคอพอปุ๊บโวยปากองตั้งเลยมันจะลุกคือเมื่อก่อนจะไม่เห็นนะครับแต่พอฝึกดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะการปากฟองชัดมาก อ, อพอรู้ทันมันก็จะหาย อ, อผมใช้เวลาในการฝึกดูเรื่องเพ่งเนี่ยเกือบปีนะครับกว่าจะหายเพ่งนี่ครตัวนี้ยากยากที่สุดเลย พรว่าติดสมถะเนี่ยนะแก้ยากมันติดแล้วเพ่งถ้เพ่งแล้วมันรู้สึกดีบางทีเพ่งแล้วก็รู้สึกว่ารู้อะไรได้ชัดเจนรู้ได้มากใช่ไหมเพ่งแล้วจิตไม่ไปปรุงอคูศนขึ้นมาเราก็เป็นคนดีอยู่มันติดดีงั้นการที่เราเพ่งกายเพ่งจิตเนี่ยนะหรือการดัดแปลงกายดัดแปลงจิตเนี่ยในอักถกถาท่านเรียกว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดี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 เป็นวิบากใช่ไหมครับนวิบากวิบาก ค, ค, ครับผมต้องชดใช้ครับผมเป็นวันนะกว่าจะหายครับผมแต่ก็กยังเวลาเราไปทํากรรมชั่วมานะกิเลสดับไปแล้วการกระทกากรรมเสร็จไปแล้วแต่ใจนะั้นเศร้าหมองไปอีกพักหนึ่งเลยมัวมวขุ่นขุนไม่แช่มชื่นเนใช่ครับเป็นอีกช่วงหนึ่งต้องต้องชดใช้นะดีกว่าชดใช้ในนรกนะในตอนเนี้ครับผมขอถามเรื่องตัมปันธนะัญญะหน่อยได้ไหมครับ สัมปัญญานี่คือปัญญาเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นสัมปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตมมาสติถูกไหมครับใช่คือจริงๆแล้วต้องอาศัยการมีสติทั้งหมดนะนะกุศลถึงจะเกิดขึ้นได้กุศลเนี่ยเกิดโดดๆโดยไม่มีสติไม่ได้นี่ตัวที่เราอาศัยในการปฏิบัตินี่ก็คือสติกับปัญญาปัญญามีหลายระดับปัญญาเบื้องต้นเรียกว่าสัมปัญช ญ, ญา สัมปชัญญะเป็นตัวที่คอยช่วยประคับประคองให้เราเดินได้ถูกทางหน้าที่ของสัมปชัญญะคือทําให้เราภาวนาได้ถูกถูกทางได้จะทําสมถะก็ทําได้ถูกหลักของสมถะจะทําวิปัสสนาก็ทําได้ถูกหลักของวิปัสสนานี่อย่างถ้าเราทํำวิปัสสนานะเราก็มญญีสัมปชัญญะสัมปชัญญะมีสี่อันคือความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาที่รู้ว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไร ระหว่างทำก็ไม่หลงไม่เผลอไปทําอย่างอื่นซะนะไม่ลืมงานหลักของเรางั้นอย่างเราจะทําวิปัสนาเนี่ยนะเนี่ย ข, ข้อที่หนึ่งเราจะทําอะไรทําวิปัสนาทําอย่างไรสมเนาชัญญาจะเป็นตัวบอกเราว่าให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ลงปัจจุบันด้วยจิตใจที่เป็นกลางนี่หลักของวิปนะัสนาะทำทำอะไรทําเพื่ออะไรนะวิปัสนาทําเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะเพื่อรู้ความจริง ทำอย่างไรให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วเสร็จเสร็จแล้วเราก็จะได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงระหว่างทําไม่เผลอไปเพ่งซะล่ะไม่เผลอใจลอยไปนนี่เรียกว่าอาัโมูหะสัมปชชะยะสัมปัญญมชญญชะยะชนิดที่4เวลาทําแล้วไม่หลงไปทําอย่างอื่นนี่พอเรามีสัมปชัญญะคล้ายๆเป็นคนกํากับเส้นไม่ให้เดินออกนอกลู่นอกทางมีสติรู้กายรู้ใจไปมีสัมปัชัะยะกํากับไม่ให้หลงไปเพ่งกายเพ่งใจกลายเป็นสมถะเสีย อย่างนี้มากเข้ามากเข้าต่อไปก็เกิดปัญญาปัญญาในระดับที่เรียกว่าวิปัสนาปัญญาอันเป็นโลกิยะก็จะเห็นเป็นปัญญาที่เห็นว่าทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนี่เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งแลเป็นปัญญาในระดับวิปัสนาต่อไปมีปัญญาแจ้งขึ้นมอีกระดับหนึ่งเห็นอริยสัจปัญญาที่เห็นอริยสัจเรียกว่าวิชา วิชาก็ล้างอาวิชาลงไปดังนั้นดีกรีของปัญญานะมีหลายตัวตัวแรกเลยก็คือสัมปชัญญะเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอไปอใช้ได้อย่างนั้นครับผมคือตอนนี้ในรูปแบบของผมคือสวดวัดเช้ากับวัดเย็นใช่ไหมครับผมแล้วก็เคื่อใบมือตามแนวสายของหลวงพ่เทียนอยู่นะครับผมอยู่อยู่ที่บ้านใจเหมือนตอนนี้ไหมไม่ค่อยเหมือนครับเออใช้ได้ <laughs> ตอนนี้มันจะ ตึงๆมาอยู่ครับเขาไปตรึงความรู้สึกไว้ครับผมระวังนะสายหลวงพ่อเตียนหลังๆคําสอนเคลื่อนจากที่หลวงพ่อเตียนสอนไปเยอะอะครับผมที่เป็นหลักจริงๆเลยก็ถ้านอาจารยเขียนครับอาจาร ย, ย, ย์คเขียนได้ยัางทรงคําสอนหลวงพ่อเตียนได้ครับบางคนคนะบปรับให้ไปเพ่งใส่มือเริ่มต้นต้องเพ่งไว้ก่อนเนีหลวงพ่อเตียนบอกไม่ให้ทําสมถะหลวงพ่อเตียนกลัวลูกศิษย์ติดสมถะเขาบอก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 แต่วัานานี้มืดมากเลยครับผมคับยังเรียกว่ามืดมาสว่างไปครับนัมาสการหลวงพ่อขออนุญาตเขากายบครับหลวงพ่อผมถามว่าเวลาผมนั่งนะฮะบางครั้งแข็งทื่อะฮะแล้วบางครั้งก็สบายเบาแล้วก็เมื่อกล้วยแต่ลมหายใจที่ยอมนะทำมันเป็นสมถะเราใช้สติไประลึกรู้ลมหายใจ ถ้าเรารารู้รู้แบบสบายๆไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสง บ, บจิตก็จะรวมสงบลงไปแล้วมีความสุขเบาๆแต่ถ้าเราหายใจไปแล้วเราก็ไปเค้นใจไปบังคับใจจะให้มันสุขให้มันสงบเนี่ยมันจะเครียดขึ้นมารนหรือบางทีเพ่งมากไปนะพอเพ่งมากไปเนี่ยจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ที่ลมหายใจแล้วตัวก็แข็งไปเลยรกระดุกกระดิกไม่ได้ดังนั้นที่ที่โยมทําอยู่ยังเป็นสมถะ นะครับผมเนี่ยจากสมถะเนี่ยต้องหาทางคลิกขึ้นสู่วิปัสนาให้ได้ไม่อย่างนั้นเราจะเสียโอกาสครับผมนะการ <Cu id op> พลิกจากลมหายใจขึ้นวิปัสนาเนี่ยให้ให้โยมนั่งหายใจเล่นๆหายใจเล่นๆนะไม่จริงจังไม่ได้มุ่งเอาความสงบเป็นหลักหายใจไปแล้วก็ค่อยๆดูไปร่างกายที่หายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเห็นไอคนเนี่ยมันหายใจ ค, คือเห็นตัวเองนั่งหายใจไปเรื่อยๆ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 จิตมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตเหลอรู้ว่าเหลือลลจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไง น, นี่ก็เรียกว่าการอาศัยลมหายใจเป็นฐานไวเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมแล้วเราก็ตามรู้จิตใจของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ใช้ได้การทําวิปัสสนาต้องรู้กายต้องรู้ใจนะอย่ยไปรู้ลมแล้วนิ่งสงบสงัดอย่างเดียวก็ได้แต่สมถะต้องพลิกขึ้นเป็นวิปัสสนานะ ดูไปเห็นร่างกายมันหายใจเราเป็นคนดูเหมือนดูคนอื่นหายใจดูไปแล้วจิตใจแอบไปทําอะไรก็คอยตามรู้ไปเรื่อยๆไม่บังคับให้นิ่งดูอย่างนี้นะแล้วมันจะพัฒนาต่อไปจะรู้เลยว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนนะอัศจรรย์มากเลยแค่รู้สึกตัวก็มีความสุขแล้วแต่ก่อนต้องไปนั่งสมาธิตั้งนา น, นกว่าจะมีความสุขใช่ครับแค่จริงใจเราเป็นกุศลขึ้นเมื่อไหร่ใจก็มีความสุขขึ้นเมื่อนั้นเลย เมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นก็เป็นกุศลเรียบร้อยแล้วขออนุญาตนิดนึงครับหลวงพ่อที่หลวงพ่อที่ว่านอนตะแคงซ้ายหรือนอนตะแคงขวานอนตรงยังไงฮะที่นอนที่ถูกหลักกันเลยในการภาวนานอนถูกหลักกันะก็คือนอนแบบรู้สึกตัวไว้อย่าไปนอนนานเกินไปนอนพอสมควรพอหายเมื่อยพอหายง่วงแล้วก็คอยรู้ถ้าร่างกายมันอยากอิดโอยอยู่ใจมันรู้สึกขึ้นมาแล้วก็นอนดูใจต่อไป เราก็นอนดูร่างกายมันพลิกซ้ายพลิกขวาอย่าไปนอนท่าเดียวนะเดี๋ยวเป็นแผลกดทั บ, ค ร, บ <laughs> ครับผมกับทรับรนักสักการณ์ราบนับสกสการค่ะพระาอาจารย์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพระาอาจารย์นะคะออพอดีสภาวะที่พระอาจารย์เทศนาเมื่อเมื่อสักวันนะคะธรรมะตรงที่ว่าตัวตัวรู้กับตัวสภาวะ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 รู้ก็ไม่เที่ยงไม่รู้ก็ไม่เที่ยงแต่ต้องรู้บ่อยๆหน่อยไม่ใช่เออะได้ได้ยินหลวงพ่อบอกว่ารู้ก็ไม่เที่ยงงั้นงั้นก็ไม่ต้องรู้สิอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะรู้สึกบ่อยๆแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเกิดทีลักขณะเกิดสั้นนิดเดียวนะถ้าพูดอย่างพิธามก็เกิด7ขณะจิตนะเกิดแวบเดียวก็จะดับไปพอผู้รู้ดับไปจิตที่รู้สึกตัวดับไปนะจิตดวงถัดมาเนี่ยอาจจะเป็นผู้หลงก็ได้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 นัจิต ท, ที่ดูเหมือนวิ่งไปวิ่งมาก็เป็นภาพลวงตาจิตเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละเหมือนคลื่นในทะเลนะดูเหมือนวิ่งได้ลอ เ, เอาเรือหรือเอาอะไรไปโยนไปสนนังดีรสิจะเห็นว่ามันอยู่ที่เก่านล้วแหละขอบคุณค่ะอาจารย์ลดการบังคับลงนิดหนึ่งบังคับแรงไปรู้เล่นๆนะอย่าจริงจังมากของพ่อนะคะ เมือ่อสามสี่เดือนก่อนนะคะโยมมาถามหลวงพ่อนะคะเรื่องการภาวนาเอ่อโยมนั่งภาวนาแล้ว哈จิตมันรวมนงนะคะแล้วก็เกิดปิตินะคะแล้วก็ผ่านไปแล้วนะคะก็ไม่ตนังก็เห็นไหวๆแล้วค่ะใช่ไหมคะไม่คือพอพ อ, พอนั่งพอนั่งหลับตาป<ง>ุบอยากเห็นอะไรวไวน ะ, ะหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงค่ะน่าว่าไปเห็นไหวๆแล้วค่ะหลวงพ่อก็แนะนาให้ดูอะไรไหวๆไปอะฮะโยมก็ภาวนาก็ดูไหวๆไปนะคะ ทีนี้พ อ, พอตอนหลังๆนี่คือมันไหวแรงมากค่ะแบบรู้สึกว่าตัวเ น, นี่ยโยกพอลืมตามบองก็ตัวก็โยกตามที่ไหวไๆด้วยนะคะให้ดูใจเรานะไม่ได้ไปดูที่ไหวไหวแค่รู้ว่ามีอะไรไหวไหวขึ้นมาตัวสําคัญคือต้องดูใจของเราเองนะเช่นพอมันไหวไหวแล้วใจเราถาลำลงไปเพ่งเนี่ยมันจะโยกตามไปด้วนยะให้สักว่ารู้สักไว้เห็นสมมติว่ามันเกิดไหวๆขึ้นมาแล้วเกิดรู้ว่าตัวโยกเกิดตกใจให้รู้ว่าตกใจไม่ต้องดูที่ไหวไๆ ให้พยายามรู้ทันใจของเราใจเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาให้รู้ลงไปเลยไม่ได้ไปรู้แช่อยู่กับไหวๆนะบางครั้งค่ะคือคุยกับเจ้านายเนี่ยคือเราพยายามทําสติเราค่ะแล้วสึกมันก็ไหวด้วยค่ะไมหวแบบแม้แต่ธรรมดาคุยกันยังไหวเลยเวลาคุยกับเจ้านายไม่ใช่เวลาเจริญสติเป็ น, <c oughs> เ, ปนเป็นเวลาทํางานต้องไปคิดเรื่องงานนะถ้าเจริญสติจะคิดอะไรไม่ได้ เริสติเดี๋ยวเจ้านายสั่งงานหูสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าได้ยินนะปลายปีเขาก็แจกสองให้ค่ะทีนี้โยมก็ดูไวๆ ไ, ไปตามภาวนานะคะทีนี้แบบเวลาดูไวๆนะดูห่างๆ อ, อ, อย่าจ้องไปใส่ไวๆดูไว้ห่างๆคื อ, ค, อคือรู้สึกว่ามันมันจะมีมันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งมันมันคอนเซนเทรอะแบบ มันแรงอะสมาธิมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ดูไหวๆตรงนี้หน้าอีกตัวหนึ่งคนละอันกันนะคะคนละอันกันอ่าทีนี้มันแรงสมาธิแรงเกินไปพอพอโยมก็ดูไปเรื่อยๆอะค่ะพอพอมันคิดเนี่ยมีอะไรคิดสติมันก็รู้ทันปุ๊บมันก็มันมันก็หยุดคิดนะคะไหวก็จะแรงมากเลยพักนึงมันก็จะหายไปหลังๆไอ้ไหวๆนี่ก็หายไปค่ะต้องลดลดความจงใจลงนิดนึงถ้าคอนเซนเทรตแรงก็ไหวแรงแล้วสมาธิมันนําไปสมาธิมากเกินไป ลดสมาธิลงคือมันเป็นเองแล้วบังคับอะไรไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อพอหลังๆไอ้ไว้หายไปเส้นไหมไหมไปเดินบ้างอะไรบ้างเรเดียดียาปวดไปอย่านั่งรวดเดียวไปดูพอพอพอมันหายไปนะคะหลวงพ่อมันจะเห็นว่างๆค่ะแล้วเหมือนก็ค่าๆอะไรสว่างสว่างอย่างนี้บางครเห็นเปดวงกลมๆมันว่างก็รู้ว่าว่างไปสว่างขึ้นมารู้ว่าสว่างสว่างแล้วพอใจรู้ว่าพอใจหรือสว่างแล้วสงสัยว่าจะทํายังไงอีกรู้ว่าสงสัย ดูจิตต่อไปอีกอย่าไปดูสว่างแต่แต่ไอสว่างเนี่ยก็ไม่นานไปจะเห็นเปดวงกลมแป๊บนึงก็หายไปนะค ะ, ะแล้วก็เห็นไม่ไหวไหวต่ อ, อยะนะครับประคองไว้ได้นะก็ะจะเอาไปใช้งานได้แต่ว่าอย่าไปใช้เลยนะเอาไปดูคนอื่นได้ค่ะทีนี้คือคื อ, คอนานมาแล้วนะคะก็มีหลวงปู่รูปหนึงเนีน่าว่าเวลาจัดรวมแล้วนะคะพอพอพอออกมาเนี่ยให้รีบพิจารณากายค่ะโยมก็พยายามพิจารณ์กายนะแต่พิจารณายังไงก็ไม่เคยเห็นเลยกระดูกไม่ได้เห็นสัญญามันไม่ตรงกัน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 ขอพระคุณหลวงพ่อคราบพูดไทยได้ไหมคือพูดกับไม่กราบน้ำพรสการค่ะหลวงพ่อคื อ, อ, อลูกไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าได้ฟังของหลวงพ่อจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็ทาไงสามีมาด้วยออตอนขอเล่าสั้นๆนะเก็ของสามียุคครบรอบ80ปีใช่ไหมคะสามีก็ไปงานวันเกิดกับ ของของสามีนะค ะ, ะลูกก็ถามว่าเธ อ, เ, อ, อเธอไปวันเกิดของลงพ่อเธอเนะ่ยเธอเอาของขวัญอะไรไปให้เขาก็ไม่ได้บอกลูกนะเขาบอกไม่มีพอดีลูกได้ปัดลูกคอยไปตอนกลางคืนนะคะพอดีเขากลับมาลูกก็ถามบอกว่าเอ๊ะลูกก็ฝึกของไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้ลูกก็ถามเขาบอกว่าก็เอาทองไปให้พ่อเขาเองเป็นของขวัญเขาบอกเอ๊ะนั่นมันทองของฉันนะ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 ไม่ทราบว่าสภาวะแบบนี้พอสติมันเกิดนะมันไปเห็นความโกรธเข้าความกรัมันจะดับนะแล้วพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเห็นในร่างกายมันล้างหน้าอยู่ใจเราเป็นคนดูกายก็อันหนึงใจก็อันนึ่งค่ะเหมือนมันแยกออกไปแต่ว่ามันแยกหมดเลยนะความรู้สึกสุขทุกข์ก็แยกออกไปความคิดดีคิดร้ายก็แยกออกไปหมดเจ้าค่ะแต่ว่าเราเราก็ไม่โกรธเลยนะคะมันหายไปค่ะเดี๋ยวว่าหลังก็โกรธอีก โกรธอีกค่<ฮ>ะคือเกิดใหม่คือว่าโกรธลูกโกรธอะไรบางที<อ>ามาคิดนักเอ๊ะทำไมพาเพรอย่างนั้นมันไม่เกิดขึ้นในจิตอย่างเงี้ยค่ะเอาซีดีไปฟังเยอะๆค่ะแล้วครั้งก็ขยันแบบรู้สึกตัวเวลานอนทิกก็รู้ว่าเราทิกอ๊ตลอดเกือตลอดเลยน ะ, นะคะเนี่ยเวลาฝึกแบบที่หลวงพ่อพาให้ฝึกนะไม่ใช่ไม่รู้กายนะรู้กายเก่งกว่าพวกรู้กายทั่วๆไปนอนหลับอยู่นี่ทิกซ้ายทิกขวารู้หมดเลย แล้วบางทีสวดมนต์นะคะปากรู้ว่ า, เ, าเราปากขยับสวดแต่ว่าใจไป <ใน S 2> คิดแล้วบางครั้งลองดูนะคะถ้าแค่อีดีปีโสยังไม่ทันสว่างคาโต้ได้ต้องเป็นแบบ5 4 5สห้าิครั้งทำไมจิตเรามันคิดมาก<ด>ขนาดนี้พี่ต้องภาวนาเก่ง <c oughs> สติเราเกิดบ่อยพอเวลาใจไหลแวบนิดเดียวเราก็รู้สึกแล้วแล้วมันอยู่ได้ชั่วคราวรู้สึกได้ช่วคราวก็หนีไปคิดอีกก็รู้สึกนะเพราะงั้นสวดมนต์ไปเรื่อย แล้วก็รู้ทันใจที่ไหลแวบแวบแ ว, แ ว, แวไปได้ยิ่งได้สัก2องวินาทีครั้งหนึ่งยิ่งดีคือว่าลูกอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าสภาวะจิตของลูกในขณะนี้มันปฏิบัติแบบบางทีไม่ตั้งใจจะดูหรืองไงฮะนะนึกได้ก็ทำนึกได้ก็ทำ อ, อย่างนี้กันถูกต้องไหมเจ้าพระถูกๆูกแต่นึกปล่อยหน่อยน ะ, ะกราบไม่ใช่นึกวละครั้งนะขอบพระคุณ รู้สึกรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้นะใช้ได้หมดเวลาแล้วครับก็ร่วมกันนุมโมวัฒนานะครับเราถวายฐานกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายเครื่องปัจจัยเยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สู่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ต่าสิ้นกาลนานเทิญนะทุกรับสอนนะ้ายะถาวะริวาฮาปูราปริปูเรนติสักขะรังเอวเมวัยโตทินังเปตาหนังอุปกปติอิชิตังปะจิตังตุมหังชิปะเมวาสมิชตูสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันรโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพโรโภวินาสตู มาเตผวัตวันตรารโยสุขีทีคายโยโภวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังวุฒาปัจจายิโนจัตาโรโอธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขังปลังผวะตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรมมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสดาโสถีปวันตุเต